เออมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจแน่วแน่มุง่งตรงเดนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนาะให้นั่งขัดสมาธิแดวขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายหลับตาของเราเบาๆค่อดลูกพอสบายสบาย อย่าให้เปลือตาปิดสนิทจนเกินไปนะจ๊ะอย่าจะไปบีบหัวตาอย่าไปกดลูกในตาให้หลับตาพริมๆเหมือนปื้ๆตานิดๆคือหลับตาพอสบายๆต้องสบายนะจ๊ะ แล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยให้ผ่อนคลายตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือ ให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณ ล, ลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเทา้าให้ผ่อนคลายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีเลยจ๊ะ ทุกส่วนของร่างกายต้องบ่อนคลายแล้วก็ทำแจขงเราเนะีให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้มีความสุขสงบเย็นให้ใจเป็นสุขสงบเย็นสบาย ปรับตรงนี้สักก่อนนะจ๊ะสีเวลาสักหนึ่งหรือสองนาทีเนี่ยให้ทึกส่วนพรอนคายให้ใจสบายเบิกบานแจ่มชื่นสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม เรื่องคนเรื่องสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งใจของเราต้องก่งกลีงยงใสๆ สาดบริสุทธิ์ไม่ให้ไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนียวไปรั้งเรื่องอะไรเลยนะจ๊ะใจตั้งกิงกลี ง, ลงทำตัวเหมือนอย่างเราอยู่คนเดียวในโลกคล้ายๆเราอยู่คนเดียวในโลกใจกิงกลีใจใส กับตรงนี้สักหนึ่งนาทีนะจะให้มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจให้ใจใส่ใสใจเย็นเย็นให้ใจใส่ใสใจเย็นเย็นให้ใจเข่งเกลีเ่รามีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแล้วเนะี่ย เรากน้อมใจกลับเข้าไปสู่ภายในในกลางกายของเราให้ใจไปหยุดนิ่งนุ่งนมนมอยู่ที่โซนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา สนิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนํามาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุปไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากท่านขวาทะลุปไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นดาทั้งสองตัดการเบงการกร บ, บาด จุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือสมมติเราในชีน้ค้อกลางวางซ้อนกันและนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นไดทั้งสองโผขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนกลางกายฐานที่เจ็ดให้เอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะ คือค่อยๆวางเบาๆค่อยๆวางใจเบาๆสบายๆเลยจำง่ายๆไว้อยู่บริเวณกลางท้องในระดับที่เรามั่นใจว่าตรงนี้คือส่วนกลางกายฐานที่เจ็วางเบาๆแตะใจไปเบาๆ ใจเป็นของละเอียดอ่อนเราต้องค่อยๆวางอย่างนิ่งๆนุๆน่มๆเบา ๆ, ๆสบายๆและกำหนดบริกรรมมันในมิตรขึ้นมาในใจให้ใจมีที่ยึดที่เกาะเพื่อจะได้เชื่อมกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนาย จะได้เชื่องมาตรงนี้ได้นะจ๊ะจะได้ไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นการกำหนดบริกรรมมาิมิตรเป็นภาพทางใจเช่นดวงใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งหรือก็น้ำแข็งใสๆขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะ อย่างนั้นก็เท่ากับแก้วตาของเราอเอาพอดีพอดีที่เรามีความรู้สึกฟ้าพึงพอใจเป็นเพชรใสใสหรือก็น้ำแข็งใสใสหรือเราคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพประพุทรูปองค์พระที่เราเคารพกราบไหว้บูชาทุกวัน เราจะคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระเราจะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้นะจ๊ะเป็นบริกรรมมาในมิตรที่ยึดที่เกาะของใจเรานึกเอาขนาดองค์พอดีพอดีที่เราพึงพอใจไว้กลางท้องในจา่ย์หันหน้าออกไปทางเดวกตัวของเรานะจ๊ะ หรือเราจะนึกถึงว่าเด็คคณหลวงปู่ทองคมที่อยู่ข้างหน้าเรานี้ไปไปี่สูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดก็ได้โดยให้ท่านหันหน้าออกไปทางเด็กตัวของเราเหมือนเรามองจากด้านบนด้านเสียนของท่านลงไปด้านล่างนะจ๊ะมันมองท็อปวิว เอาขนาดพอดีพอดีที่เราพึงพอใจนึกได้อย่างไงอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะคือเราคุ้นเคยแบบไหนแล้วก็เอาแบบนั้นเป็นบริกรรมมณีมิตรที่ยึดที่เกาะของใจเรามาให้ใจเราไปฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่น ต้องนึกให้ต่อเนื่องอย่างสบายสบายด้วยอย่าหลุดสักคำนะจ๊ะต้องจาทุกคำนะต้องนึกถึงบริกรรมบาิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งให้ต่อเนื่องอย่างสบายสบายคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคย ให้นึกอย่างสาบายสาบายถ้านึกแล้วไม่สาบายไม่ใช่นึกตั้งสาบายสาบายหรือจะทาความรู้สึกว่ามีบริกรรมมนิษย์สิ่งเหล่านี้อยู่ในกลางท้องเอาเท่าที่ได้นึกได้ชัดเจนแค่ไหนนึกออกแค่ไหนที่สาบายใจ เราก็เอาแค่นั้นไปก่อนเช่นบางท่านนึกได้ ล, ว ล, ว ล, ล, ลัวๆลังๆเราก็เอาแค่นั้นแหละแต่ต้องต่อเนื่องและสบายๆตั้งสบายตั้งผ่อนคลายใจตัง้งใสๆใจเย็นๆ อย่าลืมคำนี้นะจ๊ะนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนอย่างง่ายๆอย่างสบายๆอย่าไปเร่งรีบจนเกินไปเพราะวัตถุประสงค์ที่เราทำอย่างนี้เพื่อให้ใจเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ เพราะฉะนั้นเรานึกได้ชัดเจนแค่ไหนก็เอาแค่นั้นจะโลลัลางๆก็ไม่เป็นไรบางคนชัดมากบางคนชัดน้อยของใครของท่านนะจ๊ะแต่ต้องสาบายสาบายและต้องนึกที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะ ให้ต่อเนื่องกันไปถ้าเผลอเราก็นึกใหม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆแล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งนุ่มบาสบายได้บรกิกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมา อรหังสมาอรหังพภาวนาไปไม่ช้าไม่เร็วนักในระดับที่เราสบายใจพภาวนาไปอย่างสบายๆโดยให้เสียงของคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเรานะยจ๊ะมาจากที่ฐานที่เจ็ดตรงนั้นแหละ สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปอย่างสบายสบายอกสบายใจใจปลื้มปลื้มใจเป็นสุขสงบเย็นในการภาวนาทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหัง เราจะต้องไม่ลืมนึกถึงภาพบริกรรมมณีมิตรที่เราคุ้นเคยนะจ๊ะจะเป็นดวงใสๆจะเป็นองค์พระใสๆหรือเป็นสีทองหรืออะไรกันแล้วแต่ก็ได้นะจ๊ะหรือประเด็บคุณหลวงปูองค์ทองคำตรงนี้ที่ตั้งอยู่หน้าเรานี่นะจ๊ะ เอาอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าเรานึกอย่างหนึ่งแล้วก็ไปเห็นอีกอย่างหนึ่งก็ไม่เป็นไรเช่นนึกถึงดวงใสสเพชรใสๆได้กลับไปเห็นเป็นองค์พระห ร, หรือภาพหลวงปู่ทรงคมก็ไม่เป็นไรเราจะเริ่มต้นนึกภาพพริกรรมนิมิตอย่างไหนก็ได้ แต่ว่ากลับเกิดอีกภาพหนึ่ง <_ Robert> ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ดูไปเรื่อยๆดูไปอย่างสบายๆแล้วก็สมาอรหังเรื่อยไไปพร้อมผ่อนคลายแล้วก็ใจเย็นเย็นฝึกหยุดแรกนี่ให้ได้นะลูกนะไอ้ใจเย็นเย็น ใ, ใจนิ่งนิ่ง นุ่มๆถ้าสมมุติว่าเราทำถูกหลักวิชาดังกล่าวนี้นะจ๊ะที่เราไม่มองข้ามไปไม่ฟังผ่านไปเนี่ยมันจะมีจุดจุดหนึ่งที่ใจเรานิ่งเริ่มนิ่งพอนิ่งนี่เรามีความรู้สึกว่าตัวเราเริ่มโล่งเริ่มโปรง่ง เริ่มตัวเบาๆเริ่มสบายใจเรากรี่งกรี้ยรู้สึกว่าเราชอบอารมณ์นี้เนี่ยอยากอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆถ้าเรานิ่งในอย่างนี้นะจ๊ะพอการเกิดขึ้นอย่างนี้เราก็นิ่งต่อไปเฉยๆเดี๋ยวภาพนั้นก็จะชัดขึ้นมา หรือเปลี่ยนสภาวะความรู้สึกหยาบๆที่ร่างกายเราไปสู่สภาวะที่ละเอียดเหมือนหลุดจากกายหยาบแล้วก็กลมกลืนไปกับบรรยากาศคล้ายๆเราเป็นอากาศอากาศเป็นเราตัวโล่งว่างว่าแล้วก็หายไป สิ่งที่เราทำคือนิ่งอย่างเดิมไปเรื่อยๆคือไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นแล้วก็นิ่งอย่างเดียวหยุดนิ่งนี่แหละจะเป็นตัวสำเร็จให้เราได้ประลุทำให้เราได้เข้าถึงพระธรรมกายที่เราเคยได้ยินได้ฟังนั่นแหละซึ่งมีอยู่ในตัวของเรา โดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจดเพราะฉะนั้นตำแหน่งฐานที่เจ็ตรงนี้สำคัญมากเป็นตำแหน่งเดียวกันกับที่พระสมมาสมุติเจ้าทุกพระองค์หรือพระบรมโพธิสัตว์ทุกท่านเมื่อใจท่านมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยพระมหาบุรุษทั้งหลายเนี่ย ท่านก็จะหลุดล่อนเข้าไปสู่ภายในจนกระทั่งพุลุนุตตะสัมมาสัมโพธิญาตเป็นพระสัมมาทิฏฐิเจ้าทุกพระองค์จะใช้วิธีนี้ทั้งหมดเคยทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งหนึ่งอย่างเดียวทิ้งแม้กระทั่งชีวิตคือทิ้งหมดเลยทั้งชีวิตใจก็หลุดเข้าไปสู่ข้างใน ดิ่งไปเ ล, เลยๆจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพธิญาาเป็นพระสัมมาสัมพุทวเจ้าทุกพระองค์เหมือนกันหมดเลยบรรลุแล้วทั้งก็กลับมาสอนพราษาวกให้เดี๋ยวตามท่านและก็มีราสาวกบรรลุทำตามท่า น, ม า, า ม, านมากมายตามแต่กําลังบา ร, รมีของแต่ละท่าน ในพระสาวกท่านนั้นบ้างก็เป็นพระอราหันต์บางก็เป็นพระนาคามีบางก็เป็นพระสกทาการมีบางก็เป็นพระโสดาบันบ้างก็เป็นโคตรภูบุคคลคือเห็นพระธรรมกายตลอดเวลานาทักหยันอนก็ห้าวานิดหน่ บางก็เป็นชาลาพีบุคคลคือมีฌานเขาถึงกายอรูปภพมข้าถึงกายรูปภเป็นต้นอย่างนี้นะจ๊ะแต่วิธีการทําแบบเดียวกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ ต, ตรงนี้สิ่งสําคัญทีเดียวจะหลุดหลอดพ้นจากความทุกข์ท ร, ร ม, มานของชีวิตเข้าถึงความสุขอันยิ่งใหญ่ใจก็ต้องหยุดนิ่งตรงนี้ จลุพ้นจากวิบากรรมวิบากมาใจก็ต้องหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้จะลุดพ้นจากกิเลสอสวะพนวัตะก็ต้องหยุดนิ่งตรงนี้เพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งติดศูงกลางกายฐานที่เจนี้จึงเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับทุกๆชีวิตโดยเฉพาะผู้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์ ภาะกิจิี่สำคัญคือมาทำใจหยุดใจนิ่งในเองเพื่อที่จะได้สลัดตนพ้นจากกองทุกความทุกสั้งหายเข้าถึงที่พึ่งที่ลึลึกภายในที่แท้จริงแล้วกระทำพระนิพพานให้แจ้งนี่คือวัตถุประสงค์ของชีวิตมนุษย์ทุกคนในโลก เพราะนั้นหยุดใจนี่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่รู้ทุกคนต้องให้ความอาจใจใส่ให้ใจหยุดใจนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ใจหยุดได้มาแล้วก็เป็นอิสรภาพคือมันจะตอกศสนกรับเข้าไปสู่ภายในลดพจน์ความทุกข์ทร ม, มานของชีวิต ได้ก่อถึงความสุขที่แท้จริงหลุดพ้นจากความมืดไปสู่ความสว่างอาปะกะติมนุษย์หลับตาแล้วจะมืดแต่ยุดนิ่งในสนิทลดเข้าไปบรรลายก็จะสว่างแล้วก็เป็นอิสรภาพจากการไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยก็จะเข้าไปเห็นสิ่งที่มีอยู่ภายในเห็นแจ้ง เป็นภาพต่างๆของดงธรรมก็ดีกายในกายก็ดีระธมรกายก็ดีจะหลุดจากสภาวะของความไม่รู้มาเป็นผู้รู้คือเรื่องราความเป็นจริงของชีวิตอะไรต่างๆเราจะเป็นอิสรภาพจากความไม่รู้ไปสู่ความรู้แจง้งที่เกิดจากการเห็นแจง้งอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะ เพราะนั้นใจหยุดนี่กประเดี๋ยวคุณหลวงปู่ทั้งบอกไม่ใ่ของพอดีพอลายเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญลูกทุกคนต้องให้ความสมือญต่อสิ่งนี้ควบคู่กับชีวิตประจำวันจึงจะถูกหลักวิชาที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์อภรพพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ลูกทุกคนหยุด ใจนิ่งนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายอย่างนี้แหละประคองใจเดริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเลื่อยไปเลยดังนั้นเวลาที่เลยอยู่ก็ประคองใจให้หยุดนิ่งกันนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปหยิบ